ไม่ได้สอนเราเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้คือไม่ได้มาให้เรามีชื่อเสียงมียศอะไรมีคนติดตามมีปัจจัยสี่มากมายไม่ใช่สอนเพื่อกำจัดฉันทราคะมันก็ต้องไปละไอ้ตรงนี้แหละก็ต้องไปมีปัญญาเห็นโทษของปัจจัยสี่เห็นโทษของลาบสักการะชื่อเสียงว่าเนี่ยมันเป็นเหยื่อของโลภะเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรเราโลภมากแล้วก็ทำชั่วได้มากในตัณหานี่ไม่ได้มาช่วยให้เราไปพันธิพานหรอกนี่จะทำลายพันธิพาลศีล ส, สมาธิปัญญาให้เราอยู่เป็นทุกข์ชั่วการละนานและยังแถมทำให้พระภิกฑษอื่นๆต้องมาทำตามเราอีกต้องมาโดนในชั้นทราคะเบียดเบียนตามกันไปทุกข์กาลนานไปอีกก็เป็นเรื่องที่ น่าพิจรารณาถึงโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านได้แสดงเรื่องนี้เอาไว้เรื่องของพระอระหันต์เนี่ยนะที่มีบุญมีลาภเนี่ยก็มีอยู่แต่ท่านไม่ได้ติดไม่ได้ยึดถือเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตท่านเป็นเรื่องของวิบากกรรมดีของท่านนะเช่นเรื่องของพระเลวตัตต์ เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในบุพผารามได้ปรารบเรื่องของพระเลวัตะเถระซึ่งท่านเป็นน้องชายคนสุดท้องของพระาสารีบุตรแล้วออกบวชเมื่อเจ็ดขวบในระหว่างทางที่เขาพาไปมั่น mm. เด็กหญิงพอกลับมาก็เลยหนีไปบวชแล้วต่อมาก็ไปอยู่ป่าหนีไปอยู่ป่าอีกเพื่อต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ญาติ มาลบกวนและในสุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์และพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพร้อมกับทั้งพระอรหันต์แปดสิบมหาสาวกก็ได้ไปเยือนที่ที่อยู่ของพระเลวัตะนะแล้วพระเลวตะก็ได้แสดงฤทธิเนนะ์เป็นอัศจรนะเป็นอัศจร์พระภิกษุทั้งหลาย เ, เมื่อได้เห็นฤทธิ์อันน่าอัศจร์ของ พระเร ว, วัตตะก็พากันสนทนาว่าหน้าอาัศจรรย์หนอสามเณรเนี่ยมีลาบมากหน้าอาัศจรรย์สามเณรมีบุญมีบุญมากสามเณรรูปเดียวแท้ๆสร้างเรือนยอดห้าร้อยหลังเพื่อภิกษุ5้าร้อรูปได้คือท่านอยู่ป่าสแกตป่าที่ลกลุงลังอันี้ท่านก็อธิษฐานด้วยฤทธิ์เมื่อพระภิกษุมาแล้วก็ให้อยู่อย่างสบายเลย แล้วก็มีลาบมากมายคือมีอาหารบิณฑบาตมากมายบรรดาพระภิกษุทั้งหลายไปถึงแล้วก็ชมชมว่าโอ้โหแม่สามเดณนในตัวน้อยแค่นี้เนะี่ยมีลาบมากอย่างนี้แล้วก็มีบุญมากสามารถสร้างเรือนยอดได้ตั้งห้าร้อยหลังเนะแหมสร้างได้ไม่ใช่ธรรมดานะพระศาสดาสเสด็จมาที่ประชุมของพระภิกษุเหล่านั้นตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุม สนทนาด้วยเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้คือเรื่องอย่างนี้เรื่องของสามะเนนเรวัตตะนี่แหละพระผู้มีพระเจ้าจึงจัดว่าพิกสูทั้งหลายบุญบุญย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเรานี่คือพระรหันหรือภริยาบุคคลเนี่ยถือว่าเป็นบุตรเพราะว่าสามารถเป็นทายาตรับรอดกคือพระ ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แก่โลกุตระธรรมเก้าไว้ได้จึงชื่อว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายบุญย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบาปก็มิได้มีบุญบาปทั้งสองอย่างเธอละเสียแล้วแล้วพระาศาสดาก็ตัดพระคาถาว่าโยธะบุญยันจะปา ป, ปัญจะอุโภสังคังอุปัจจคาอาโศกังวิรชังสุดทงัง ตัมมาหังพูมิพรามบมานังผู้ใดล่วงล่วงก็คือไม่มีหมดหมดหรือว่าละผู้ใดล่วงบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องคลองเสียได้ในโลกนี้เราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความโศกมีทุรีทุรีนี่ก็คือราคะโทสะโมหะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนฝุ่นละอองที่ทำให้โศกปลกแก่ใจผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จาก ราคโทสะโมหะแล้วว่าเป็นพรามพรามในที่นี้ก็คือพระอรหันต์นะ ท, นท่านอธิบายว่าละบุญและบาปทั้งสองทำไมถึงเป็นละบุญและบาปได้ละ่ะเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้เกิเกดบุญเกิดบาปเนี่ยถูกละไปด้วยอรหัตตมักคนจะทำบุญเนี่ยที่จะเป็นบุญได้เนี่ยจะต้องมีโลภะหรือมีอวิชชา นั่นล่ะกรรมที่ทำไปจึงจะเป็นบุญบุญอันนี้ก็ถือว่ากรรมดีที่จะมีผลดีตอบมาหรือทำกรรมชั่วก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยอวิชชาเป็นเป็นเหตุจึงจะมีการทำบาปคือไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นกรรมชั่วแล้วก็ทำกรรมชั่วนั้นไปแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านละอวิชชาจะได้อวิชชาปัจจะยาสังขาราวิ เพราะมีอวิชชานะเป็นปัจจัยจึงมีบุญและบาปจึงมีการทำกรรมแต่เนื่องจากว่ากิเลสของท่านเนี่ยถูกประหารด้วยอารหัตตะมักไปเสียแล้วนะกิเลสเครื่องคร่องเช่นราคะเครื่องคล่องค อ, งอะไรเขาคล่องอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยคือผูกพันอยู่ในวัฏสงสารไม่พ้นไปได้ได้ละไปเสียแล้วเรียกว่าก้าวล่วงไปแล้วก้าวล่วงหมายความว่า หมดสิ้นไปซะแล้วพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลผู้ไม่มีความโศกไอ้ความโศกนี่มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากราคะเกิดจากโทสะเพราะเราไปรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเขาไม่เป็นไปตามความรักเปลี่ยนแปลงไปพิาดาตไปก็จะเกิดความเศร้าโศกแต่ว่าพระรหัตถ์นี่ไม่มีความโศกเพราะไม่มีความโศกอันมีวัตฏะเป็นมูลวัตฏะอันนี้หมายถึงกิเลสวัตฏะ ชื่อว่ามีทุลีหมดไปแล้วคือไม่มีราคะโทสะโมหะในภายในใจชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วเพราะไม่มีอุปกิเลสท่านเรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นพราหมคือคือพระภิกษุษสงฆ์ท่านาก็ว่าโอ้โหมีราภมากนะมีบุญมากนะแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกไม่ไม่ไม่เป็นบุญแล้วที่ทำํทำจะทํำด้วยอภิญญาจิตมหากิริยาพิญญาณ ทำให้เกิดเป็นเรือนยอดขึ้นมามากมายที่อยู่อาศัยขึ้นมาในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพิผลเป็นต้นดังนี้ก็ที่ ท, ที่นำเรื่องนี้มากล่าวเกี่ยวข้องก็คือว่าพรมจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นไปเพื่ออย่างนี้เป็นไปเพื่อละบุญละบาปละกิเลสละความเศร้าโศก เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเป็นไปเพื่อให้ได้ยศจะอยากได้ยศแล้วไม่ต้องมาบวชคุณไปสมัครสอสอเดี๋ยวคุณก็จะได้แต่งตั้งเป็นรัฐบนตตีอะไรก็ว่าไปอยากมีชื่อเสียงมีบริวารมีอะไรก็ไปหาเอาในโลกนี้เนี่ยเหยื่อของตันหานเหยื่อของตันหาคือรูปเสียงกินรสสัมผัสหรือว่าไอ้ลาบสักการ ะ, ะมันมีมาก เป็นที่ต้องการอยู่ของผู้ผู้ไม่ประพฤติพรหมาจรรย์แต่ผู้ประพฤติพรหมาจรรย์แล้วเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการอะไรเรามารับถือศาสนาของผู้มีพระภาคเราต้องการความสิ้นทุกขในวัฏสงสารถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องนับถือก็ได้เราต้องการความทุกข์ในวัฏสงสารก็นับถือตัณหาตัณหาในเป็นศาสนาใหญ่ ศาสนาใหญ่ของวัตถสงสารนี้มันสอนเราตลอดเวลาตัณหาเอาไอ้นันดีไปเอาตัไอ้นันหน้ารักนะไปเอามาไอนี่สวยงามไอ้นี่เป็นประโยชน์ชีวิตแต่ศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของปัญญาปัญญาเนี่ยไอ้สิ่งไหนที่ตัณหามันรักปัญญามันบอกว่าไอ้นั่นะมีโทษมีทุกข์ทั้งนั้นตัณหารักอะไรปัญญามันตามไปสอนได้หมดถ้า เราต้องการความสุขจริงๆก็ต้องอาศัยคาปัญญาของพุทเผยพเจ้านี่แหละเราจะเชื่อตัณหาก็ก็ได้ความทุกข์แก่ชีวิตเราไปไม่ต้องมีศาสนาพุทธเราก็อยู่กันได้อยู่กันได้โดยตัณหาแต่ละคนเนี่ยช่วยกันสอนกันเองเอาทาอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิมันก็อยู่กันไปได้แต่อยู่กันไปแบบทุกทุกไปอย่างนั้นแหละไม่มีทางพ้นไปได้ เพราะฉะนั้นก็โอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยสําคัญอยู่ตรงว่าเรามีศรัทธาหรือเปล่าเราเลื่อมใสเราเชื่อไหมในปัญญาของพระองค์ก็เป็นที่พึ่งเราได้กําจัดทุกข์ให้ได้ทั้งหมดไม่มีทุกข์อะไรที่พระพุทธเจ้ากําจัดให้ไม่ได้นะเพราะว่าอตัวต้นเหตุแห่งความทุกข์มันก็คือไอ้ชั้นธราคะเนี่แนะ ตนเหตุของความทุกข์ทั้งปวงที่เราได้ความทุกข์มาเนี่ยไม่ต้องไปโทษใครที่ไหนก็โทษไอ้ตัณหาของเราเองนะตัณหาคนคนอื่นก็อย่าไปโทษเขาไม่เกี่ยวตัณหาของตัวข้าพเจ้าเองและตัวอาตมาเองเนี่ยทำให้ข้าพเจ้าทุกข์ตัณหาในเก่าๆในอดีตแล้วในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้จักตัวตัณหาให้ดีทีนี้ เรื่องของตัณหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปุถุชนเขาชอบกันนะแต่เรื่องของปัญญาความมหัศจรรย์ของบุญของปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่บัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าเขาชอบก็จะนำเรื่องของความมหัศจรรย์ของบุญของปัญญาของศรัทธาของหิริโอตปะของความเพียรที่มีปรากฏอยู่นะในประวัติของท่านพระภิกษุ ชือว่าพระโชติกาเทระมาแสดงในขุตการนิกายคาถาธรรมบทเพื่อให้เห็นว่าความมหัศจรรย์ของกุศลของของความดนะีมันมียิ่งใหญ่เหลือเกินและเป็นของหน้าบูชาหน้าเลื่อมใสเราจะทําชีวิตของเราให้มหัศจรรย์ให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่มันไม่มีทางได้โดยตัณหาไม่มีทางได้โดยชื่อเสียงลาบยศตําแหน่งความล่ํารวยและไม่ได้ ชีวิตแบบนั้นไม่เจ่ของมหัตเจจันอะไรในมหัตเจจันแห่งรักแห่งเลิกเลยที่ว่ากันนั้นไม่มีหรอกนะมีแต่เรื่องความทุกข์ของความอยากได้ของความรักความหลงในเรื่องพระโชติกะเถระนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันได้ทรงกล่าวถึงพระโชติกะเถระแล้วได้ตัดแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของท่านแต่ก่อนอื่นก็ ขอนำเรื่องในอดีตเป็นลำดับมาว่าในอดีตการมีกุดุมพีสองคนเป็นพี่น้องกันอยู่ในกรุงพระราสีแล้วก็ได้จ้างคนมาทำไร่ไร่อ้อยไว้เป็นอันมากต่อมาวันหนึ่งน้องชายไปยังไร่อ้อยคิดว่าเราจะให้อ้อยลาหนึ่งแก่พี่ชายอีกลําหนึ่งจะเป็นของเรา แล้วก็ผูกลำอ้อยทั้งสองลำในที่ที่ตัดแล้วเพื่อต้องการไม่ให้ให้ลถของน้ําอ้อยมันไหลออกถือเอาไปแสดงว่าอ้อยสมัยก่อนนี่มันตัดไม่ดีแล้วน้ํามันจะไหลออกหมดได้ยินว่าในครั้งนั้นการทําหีบอ้อยด้วยเครื่องยนต์ไม่มีไม่เหมือนสมัยปัจจุบันเนี่ยอ้อยมันมน้นําอ้อยมันต้องไปบดให้มันไหลออกมาใช่ไหม คือว่าในเวลาอ้อยที่เขาตัดลำที่ปลายหรือที่โคนแล้วยกขึ้นรถน้ําอ้อยย่อมไหลออกเองทีเดียวทีเดีย ว, ยวมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพันพิเศษนะนะเหมือนน้ําไหลออกจากธรรมกรกคือที่กรองน้ําในเวลาที่เขาถือลำอ้อยจากไร่อ้อยเดินมาพระปัจเจกระพุติ เ, เจ้าที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาบัติ ออกจากสมาบัติก็เป็นนิโรธสมาบัติดับจิตเจตสิกนะเพราะจิตเจตสิกนี่มันทุกข์มากคิดทั้งวันนี่ไม่ได้ทําอะไรวันๆเราเนี่ยความทุกข์แค่นั่งนั่งคิดนี่ก็นับไม่ไหวอยู่แล้วนะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นและวไอ้ความคิดของปุถุชนเนี่ยมันจะให้มันดีเนี่ยมันยากมันก็คิดเรื่องตัวเองอะนะคิดเรื่องเห็นแก่ตัวเองอนะะไม่มีเรื่องอื่นนะอ่ะไอ้คนนู้นคนนู้นเออคนนู้นก็ทําอะไรให้เราบ้างไอ้คนนั้น ทำไมไม่มาทำให้เราอย่างนี้ทําไม่ดีกับเราหรือว่าอยากได้เพื่อตัวเราเองมาคิดเรื่องฟุง้งซ่านเพราะนั้นพระเบเจอรผู้เทิเจ้าท่านเข้าสมาบัติจะไม่ต้องมีจิตมีเจตสิกนะเมื่อออกจากสมาบัติก็ต้องคิดแต่ท่านไม่คิดเพื่อเจ้าอย่างพวกเราท่านคิดไข้ครวนไปว่าวันนี้เราจะทําการอนุเคราะห์แก่ใครหนออนุเคราะห์เนี่ยคือให้เขามีสุขพ้นทุกข์ให้เขาได้ทําบุญกับท่านน ก็เห็นบุรุษผู้นี้อยู่ในข่ายยานของท่านคือท่านท่านท่านมีอภิญยาก็พิจารณาโอ้เห็นศรัทธาของเขาว่าเขามีและทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถเพื่อจะทำการสงเคราะห์ได้จึงถือบาทและจีวรมาด้วยฤทธิ์ได้มายืนอยู่ข้างหน้าของบุรุษผู้นี้เขาพอเห็นพระพุทธพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเท่านั้น ก็มีจิตเลื่อมใสนะมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาเราต้องปลูกฝังเอาไว้เราต้องเอาไปใช้กันอีกห ล, ลายชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ชาตินี้ก็จะแย่อยู่แล้วนะศรัทธาก็เออถ้าไม่ทามากเนี่ยมันจะเสื่อมได้เพราะว่าเราไปเจอภิกษุที่ไม่ดีหรือไปฟังธรรมที่ผิดผิดถูกถูกเนี่ยผิดผิดเข้าด้วยมันจะไม่ศรัทธาในใน ในคำสอพระพุทธเจ้าก็จะไม่ศรัทธาในพระรัตนใจนั้นต้องเลือกเหมือนกันนะต้องเลือกเลือกในการที่จะฟังธ ร, รมเกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริงของพระรัตนใจจึงจะได้มีจิตเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปพอเขาเห็นพระประ เ, จเจ้าเท่านั้นก็มีจิตเลื่อมใสโอ้บุคคลผู้นี้เป็นนักบวชนะสละความยินดีใน บ้านเรือนซะแล้วออกบวชหายากเขาจึงลาดผ้าหม่มบนภูมิประเทศที่สูงกว่าบนสถานที่ที่สูงคือสูงกว่าตัวเขาอะแล้วนิมนต์ให้พระประเจกับพุเทธเจ้านั่งด้วยคำว่านิมนต์นั่งที่นี้ขอรับแล้วก็กล่าวว่าขอท่านจงน้อมบาตรมาเถิดพร้อมกันนี้ก็ได้แก้ที่ผูกลาอ้อยวางไว้เหนือบาตรน้าอ้อย ก็ไหลลงเต็มบาททันทีเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้าดื่มรสน้ําอ้อยนั้นแล้วบุรุษผู้นั้นก็คิดว่าสาธุดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของเราดื่มรสน้ําอ้อยแล้วเขาคิดต่ออีกนะว่าถ้าพี่ชายของเราจากให้นํามูลค่ามาคือให้เสียเสียเสียเงินนะเสียเงินจะให้จ่ายเงินเราก็จะจ่ายเงิน ถ้าเราถ้าถ้าพี่ชายจักให้เรานำส่วนบุญมาเราก็จักให้ส่วนบุญคือคือถ้าพี่ชายโลภอยากไดเงินนะเพราะว่าถืออ้อยลำหนึ่งเนี่ยเพื่อตัวอีกลำานึงเพื่อพี่ชายลำเพื่อตัวถวายพระเป็นแล้วที่เหลือของพี่ชายถ้าพี่ชายอยากจะได้เงินก็จะให้เงินแต่ถ้าพี่ชายอยากจะใหไดส่วนบุญเราจะให้ส่วนบุญเพราะนี่ฉลาดมากนะ ไม่จะคิดธรรมดานะคนมีปัญญาะที่เดียวละ่ะแล้วกล่าวว่านิมนท์ท่านน้อมบาทมาเถิดขอรับแล้วก็ได้แก้ลำอ้อยท่อนที่สองถวายน้าอ้อยอีกครั้งหนึ่งในว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่จะหลอกลวงแม้เพียงนิดเดียวว่าพี่ชายของเราจักนำลำจักนำอ้อยลำอื่นจากไร่อ้อยมาเคี้ยวกิน คือไม่ได้คิดในใจเลยว่าของที่จะให้พี่ชายอานะไปให้แล้วเดี๋ยวพี่ชายไปเอาอ้อยมากินเองแล้วกันไม่คิดเขาคิดให้แล้วคิดให้จริงๆเลยไม่จะไปคิดเปลี่ยนกลับกรอกใจว่าเอาเดี๋ยวพี่ชายไปเอาอ้อยมากินเองก็แล้วกันอ้อยมีเยอะนี่ไม่อย่างนั้นคิดว่าให้พี่ชายแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อจะถวายน้ําอ้อยอีกบุญนี้ต้องเป็นของพี่ชายแต่ถ้าพี่ชายอยากจะได้เงินก็จะให้เงินส่วนพระปันเจกาพระพุทธเจ้า เป็นผู้ใคร่จะแบ่งรถน้ำอ้อยให้กับพระประเจกับผู้เทวเจ้าองค์อื่นๆอีกเพราะความที่ตนดื่มรถน้ำอ้อยลําแรกนั้น ก, ก็ก็รู้ว่าควรจะไปถวายพระประเจกผู้เจ้าองค์อื่นจึงรับน้ำอ้อยองค์ที่ในในลำอ้อยที่สองไว้แล้วก็นั่งอยู่ไม่ดื่มนะนั่งอยู่ เขาทราบอาการของท่านแล้วจึงไหว้ด้วยเบญจางคปดิษฐ์ไหว้ด้วยองค์ทั้งห้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านขอรับรสรสนะเราเราเร า, เรากินอาหารเนี่ยมันจะต้องมีรสมากระทบลิ้นเรานะรสมีอะไรบ้างอ ะ, อะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอะอีกเยอะๆนะแต่และรสเนี่ยไม่เหมือนกันนะตามลักษณะของธาตุธาตุ ธาตุที่เรากินไปคือธาตุดินน้ำลงไปเรากคงจะรู้ได้ว่าไปกระทบลิ้นไอลิ้นนี่มันมีลักษณะอยงไงมันมีชิวหาประสาทใส่รับได้รับได้ตอนนี้รถนี่เป็นรถอันเลิศอันดียิ่งท่านขอรับรถอันเลิศนี้ใดที่กระผมถวายแล้วด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้ กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นแหละขอขอขอผลบุญที่ถวายรถอันเลิศเนี่ยรถคือหวานอันเลิศและรถอันเยี่ยมเลยเพราะน้ำอ้อยเนี่ยเป็นเป็นอาหารอันประณีตเป็นเป็นยาด้วยแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ประณีตด้วยแล้วก็ปรารถนาเลยว่าท่านหมดกิเลส ด้วยการบรรลุทำอะไรก็คือบรรลุเรียสัพสนะีเนี่ยก็ขอให้ได้บรรลุเป็นเป็นที่สุดแต่ว่าขอให้ได้เสวยสมบัติในเทวโลกและมุษสโลกนะแม้พระปะเจพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้แล้วจงสำเร็จอย่างนั้นแล้วทำอนุโมทนาแก่เขาด้วยสองคาถาว่าอิชิตังปัติตังตุหังขิปเมวสมิทชตุ แปลว่าขอความปรารถนาอันดีที่ท่านตั้งไว้แล้วจงสําเร็จโดยพรันนะแล้วก็อธิษฐานและแต่็ล้วก็อธิษฐานอีกพระปเจริญพระเจา้าให้เขาได้เห็นนะว่าท่านไปทําอะไรจากนั้นท่านก็เหาะไปสู่เขาคันธมาศโดยทางอากาศแล้วได้ถวายรถน้ําอ้อยแก่พระปเจกับพระเจ้าห้าร้อยลูกให้เห็นเลยว่าโอไปถวายได้อีกตั้งเยอะนะดยอนุภาพของท่าน คือชายอภิญญาชายฤทธิ์เขาเห็นปฏิหารนั้นแล้วยิ่งเลื่อมใสามากเลยโอ้โหน้ำอ้อยที่ถวายไปครั้งที่สองเนี่ยพระประเจูุธเจ้าตั้งห้าร้อยได้ดื่มด้วยเขามาสู่ที่อยู่ของพี่ชายพี่ชายก็ถามว่าเจ้าไปไหนมาเขาก็บอกว่าไปตรวจดูไรอ้อยมาพี่ชายถามว่ามีประโยชน์อะไรด้วยสำหรับคนอย่างเจ้าในไปไรอ้อย เจ้าควรเนี่ยจะถือเอาลำอ้อยมาสักลำหรือสองลำไม่ใช่หรือน้องชายก็ตอบว่าพี่ถูกแล้วฉันถือเอาอ้อยมาสองลำแต่ฉันเห็นพระปเจกับพระุทธเจ้กกจาองค์หนึ่งจึงถวายรดของน้ําอ้อยที่เกิดจากลำอ้อยของฉันแล้วถวายรสแต่ลำอ้อยของพี่ ด้วยฉันคิดว่าเราจะให้มูลค่าหรือส่วนบุญพี่จักรับเอามูลค่าอ้อยนั้นหรือจักรับเอาส่วนบุญถามพี่พี่จะเอาเงินหรือจะเอาบุญพี่ชายถามเลยว่าก็พระปเจริญพระเจ้าทำอะไรน้องชายบอกว่าท่านดื่มรสจากลาอ้อยของฉันแล้ว ก็ถือเอารถจากลำอ้อยของพี่ไปสู่เข า, ขาคันธมาศโดยทางอากาศคือเหาะไปแล้วได้ให้แก่พระัจเจผู้ธดยเจ้าอีกห0 0รรูปพี่ชายของเขาเมื่อกำลังฟังเขาอยู่นั้นแหละก็ได้เป็นผู้มีสรีระอันปีติท่วมทับถูกต้องแล้วเกิดความอิ่มใจขึ้นเมื่อรู้ว่า โอ้โหนะพระปจเจ้าพุทธเจ้าตั้งห0 0อยได้ดื่มน้ำอ้อยของเราจรีละคือร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยปีติคือาธาตุลมนะมันวิ่งซ่านไปทั่วาธาตุลมก็เกิดจากปีติปีตินี่เป็นตัวเจตสิกที่มีความอิ่มถูกต้องไปทั่วตัวเลยไม่มีที่ว่างเลยที่ปีติไม่ไม่ไม่ไมเกิดขึ้นแพผ่ซ่านไปทั่วเหมือนไฟฟ้าวิ่งไปทั่ว แล้วพี่ชายก็ได้ทำความปรารถนาว่าการบรรลุธรรมที่พระปัจเจกัพุทธเจ้านั้นเห็นแล้วนั่นแหละพึงมีแก่เราขอให้เราได้ถึงธรรมที่พระปจเจกพุทธเจ้าถึงด้วยคือมรซีผลสีนิพานหนึ่งขอให้ถึงด้วยไม่ปรารถนาอย่างอื่นนะน้องชายปรารถนาสมบัติสามอย่างส่วนพี่ชายปรารถนาพระอรหันต 阿拉หัตผลอย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาละด้วยประการชนี้นี้ก็เป็นกรรมก่อนก่อนของคนทั้งสองกรรมแรกของคนทั้งสองชนทั้งสองนั้นก็ดำรงชีวิตอยู่ตลอดอายุแล้วก็ตายจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในเทวโลกหมดไปพุทธทันดรนหนึ่งนะคือหมดไปในระหว่างที่ไม่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นเลยเนี่ย เรียกว่าพุท ธ, ธันดรนซึ่งนานมากพุท ธ, ธันดรหนึ่งสิ้นไปแล้วในเวลาชนทั้งสองนั้นไ ป, ไปเกิดในเทวโลกนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพะนา ว, ว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพี่น้องทั้งสองคนก็ตายจากเทวโลกมาเกิดในมนุษย์พี่ชายก็เป็นพี่ชายอีกน้องชายก็เป็นน้องชาย ปฏิสนธิคือเกิดในเรือนแห่งตระกูลแห่งหนึ่งในพันธุทุมมาดีนครบรรดาเด็กทั้งสองนั้นมารดาบิดาตั้งชื่อพี่ชายว่าเสนะตั้งชื่อน้องชายว่าอัปราชิอปราชิตนะอัปราชิตก็คือไม่พ่ายแพ้นะเมื่อพี่น้องทั้งสองนั้นกำลังรวบรวมขุมทรัพย์อยู่ในเวลาเติบโตแล้ว ก็คือตั้งหลักฐานในการคลองเลือนเนี่ยพวกเราเรากาลังรวบรวมขุมทรัพย์กันอยู่ใช่ไหมคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็โอ้เดี๋ยวเราจะให้ลูกเราเรียนนะเลี้ยงให้โตให้ดีให้ลูกเราเรียนให้ลูกเราทําทํางานให้ลูกเราแต่งงานแล้วจะมอบทรัพย์สมบัติให้ให้เขาไปหากินเอาชื่อว่ารวบรวมขุมทรัพย์อยู่ทั้งนั้นแ่ะแต่ขุมทรัพย์อันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้า บ, บอกว่า มันเป็นของทั่วไปแก่น้ำน้ำมาแล้วเห็นไหในหลวงในเหลืองในหลวงตง้องต้องมาช่วยละในหลวงต้องมาช่วยน้ำท่วมคือว่าทับสมบัติที่เรารวบรวมเนี่ยจะถูกน้ำท่วมจะถูกไฟไหมจะถูกลมทำลายจะถูกโจนปล้นตลอดอะไม่มีไม่จะ ม, ม, ม, มีทางเป็นอย่างอื่นอ ะ, นะเป็นเรื่องจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าทับ ต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายสาะสแสวงหากันเนี่ยจะต้องถูกทำลายไปด้วยลมด้วยน้ำเป็นต้นแต่ว่าซับภายในคือศรัทธาศีลเป็นต้นเหล่านี้แหละไม่ถูกทำลายเสนกุดุมพีผู้พี่ชายได้ฟังการเป่าร้องในพันทุมมดีนครของอุบาสกผู้ประกาศเชิญชวนให้ฟังธรรมว่าพุทธรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลก ธรรมรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกสังครัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกรัตนะคือของมีค่าที่สุดมีค่าเพราะว่าให้ความสุขสูงสุดก่อต่อบุคคลผู้สละชีวิตเข้าถึงรัตนะนี้รัตนะนี้มีค่าสูงสุดเพราะกำจัดทุกทั้งปวงได้จริงพวกท่านจงให้ทานจงทาบุญ วันนี้เป็นดีถีที่สิ14ี่สิบสค่ำวันนี้เป็นดีถีที่สิบห้าค่ำพวกท่านจงทำอุโบสถจงฟังธรรมเขาจะมีคนมาประกาศสมัยนี้ไม่ค่อยมีนะนานๆจะได้ยินสักทีว่าโอ้วันนี้วันพระแล้วนะไปฟังธรรมไปรักษาศีลไปรักษาอุโบสถไปให้ทานเพราะฉะนั้นเสนากดุมพีเนี่ยได้ฟังแล้วก็เห็นมหาชนไปถวายทาน ในเวลาก่อนอาหารแล้วก็ไปฟังธรรมในเวลาภายหลังที่พระพระชันอาหารเสร็จจึงถามว่าจึงถามคนเหล่านั้นนะ่ะพวกท่านจะไปไหนกันประชาชนบอกว่าพวกฉันจะไปสู่สำนัก ค, คือที่อยู่ของพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเสนะกุดุมพีจึงบอกว่าฉันจะไปด้วยแล้วก็ไปพร้อมกับประชาชนนั่งลงในสุดท้ายของหมู่ชนนั้น พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขาจึงตัดอนุปุปพิกถากถาคือถ้อยคำที่แสดงเรื่องไปตามลำดับเริ่มแรกจากเรื่องทานต่อด้วยศีลผลของทานของศีลคือสวรรค์แล้วก็ผลของทานของศีลคือสวรรค์นั้นก็มีอันต้องแตกดับย่อยยับไม่ยั่งยืน ความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขในการสิ้นตัณหาแล้วจึงแสดงอริยสัจส์่เป็นประการสุดท้ายเขาฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความอุตสาหะในการบรรพชาอุตสาหะนี่ก็คือกล้าหาญศรัทธาจึงทูลขอบรรพชากับพระศาสดาพระศาสดาตัดถามเขาว่า ก็พวกญาติที่ท่านจะพึงอำล า, ำลาไปก่อนมีไหมเสะนกะกุดุมพีตอบว่ามีพระเจ้าข้าพระศ า, าสดาจึงจัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านไปลาเขาสะก่อนแล้วจงมาบวชเสะนกะกุดุมพีมาหาน้องชายแล้วกล่าวว่าทรัพย์สมบัติใดมีอยู่ในตระกูลนี้ทรัพย์สมบัตินั้นทั้งหมดจงเป็นของเจ้าพูดคําเดียวเลยน้องชายถามว่าพี่แล้วพี่แลาเขอรับ น้องชายก็สงสัยพี่จะไปไหนให้สมบัติอย่างนี้แล้วพี่ชายบอกว่าฉันจะบวชในสำนักของพระศาษษษสดาน้องชายตกใจบอกว่าพี่พูดอะไรตัวฉันเองเมื่อมารดาตายแล้วก็ได้พี่เป็นเหมือนมารดาแสดงว่าพี่นี่ดีมากนะทำตนเหมือนมารดาได้เมื่อบิดาตายแล้วก็ได้พี่เป็นเหมือนบิดาตระกูลนี้ก็มีโภคขสมบัติมากพี่ดำรงอยู่ในบ้านเรือนนี้แหละ ก็สามารถจะทำบุญได้ที่อย่าได้บวชเลยรักพี่มากว่าพี่เหมือนพ่อเหมือนแม่อย่าเพิ่งไปบวชเลยทำบุญเราดีกว่าเซนากุดุมพีตอบว่าฉันฟังธรรมในสานักของพระศ า, าสดาแล้วฉันดํารงอยู่ในถ้ากลางเรือนไม่อาจบำเพ็ญธรรมนั้นได้ฉันจะบวชให้ได้จเจ้าจงกลับไปเถิดจะมารักษาศีลกันยังไงเนี่ย จะมาเจริญวิปัสนาอย่างไรอยู่ในบ้านในเรือนในลําลำบากไม่ได้เราต้องมาบริหารบ้านเรือนเราทรัพย์สมบัติมากก็บริหารมากเพราะฉะนั้นไม่อาจบาเพ็ญได้แน่ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเพราะนั้นอย่ามาห้ามเลยกลับไปเถอะเสนากุดุมพีให้น้องชายกลับไปด้วยอาการอย่างนั้นแล้วได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระศาสดาต่อการไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ เป็นไปตามความประสงค์เพราะว่าต้องการบรรลุ